บุกทูเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเเหตุผลบางประการสม memberi alasan ทาทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Kenapa anda tidak makan kuetarnya? ดิฉันต้องการลดน้ําหนักค่ะ Saya harus mengurangi berat badan ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ําหนักค่ะ Saya tidak makan karena saya harus mengurangi berat badan ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Kenapa Anda tidak minum bir? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Saya harus menyetir. ดิฉันไม่ดื่มเบียเพราะว่าต้องขับรถค่ะ Saya tidak minum karena saya harus menyetir. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ k e n ม p a ณไม่ดืม่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะมดันเย็นแล้วค่ะฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะฉั น, ม น, น, น ไ, มไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะไม่ดื่มกาดืาฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะไม่ดื่มกาคไมคไม่ดื่มาคค่ะ kenapa ณไม u ดื่มมั a คะฉันไม่มีน้ำตาลค่ะฉันไม่ดื่มชา y a ราะ a ่าไม่มีน้ a ตาล a ่ะฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ minum tehnya karena saya ไม d a k punya gula ทำไมคุณไม่ทานซุป Kenapa anda t i d a k makan sopnya ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ saya tidak memesannya ดิฉันไม่ทานซุ่เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ saya tidak makan sopnya karena saya tidak memesannya ท่ไมคุณไม่ทานเนื้อคะ่ะ anda t i d a k makan d a g i n g ดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ saya v e g e t a r i a n ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะาเป็นมังสวิรัติค่ะ tidak makan dagingnya karena saya vegetarian